สังขาราอนิจจามีผู้ทำสิ่งของสิ่งหนึ่งของหลวงพ่อแตกท่านรำพึงว่าสังขาราอนิจจาและเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลเทียบเคียงให้ฟังแม่บ้านของพันธุละเสนาบดีคือนางมัลลิกาพันธุละเสนาบดี เป็นเสนาบดีที่มีความเก่งกล้าสามารถในวงราชการจนเพื่อนอิจฉาเพื่อนฝูงก็ประยุทธแย่พระเจ้าแผ่นดินว่าพันธุละเสนาบดีเนี่ยจะชิงบัลลังก์อาศัยเขามีคุณงามความดีพระเจ้าแผ่นดินจะลงโทษทันประหารชีวิตมันก็จะเสียชื่อเลยวางแผนในพวกทหารออกไปทาเหมือนกับเป็นโจรมารบกวนชายแดนแล้วให้พันธุลเสนาบดีกับลูกชาย32คน ยกกองทัพไปปราบพอไปถึงถูกทหารมันล้อมฆ่าตายหมดทั้งพอ่อทั้งลูกทีนี้มีผู้ส่งจดหมายมาบอกท่านว่าสามีของท่านกับลูก32คนถูกโจรมันฆ่าตายหมดแล้วพอท่านอ่านรู้ท่านก็เอาเนบไว้ในพกคาตอนนั้นกำลังอังคาดกำลังเลี้ยงพระท่านก็ทาหน้าที่เลี้ยงพระเฉยบังเอิญคนใช้ยกถาดก้าน้าไป ไปทำพลัดตกแตกท่านโมคลาก็ว่าโยมเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็มีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเสียใจเลยนะท่านอุบาสิกาก็เรียนพระกุณ้าว่าถ้วยแก้วมันแตกหมดถานนั่นนะ่ะมันเรื่องเล็กน้อยสามีดีฉันกับลูกส2คนถูกโจรมันฆ่าตายหมดเกลี้ยงแล้วดิฉันยังไม่สะทกสะเทือนใจสนิดหนึ่ง แล้วก็เอาจดหมายน้อยให้พระคุณเจ้าดูพอพระคุณเจ้าได้เห็นก็สาธุสาธุพอพระเทระสาธุเสียงสาธุมันไปถึงชั้นฟ้าบนสวรรค์ รู้ทันความตายความตายจะมีความหมายอะไรเ่าใครเป็นผู้รู้ว่ามันตายผู้รู้ว่าตายมันไม่ได้ตายผู้ไม่รู้ตังหากมันตายเมื่อเรารู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ตายไม่เห็นจะน่ากลัวเกิดตังหากที่มันน่ากลัวมันจะกลับตาลปัดทันที พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนขี้คลาดขี้คลาดเพราะกลัวความเกิดปุทุชนที่เป็นคนกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับความเกิด